พุทธวัต ส, สวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะมาอีกแล้วนะคะพุทธวัตสวัสดีพุทธวัตนะจะนำความสวัสดีมาให้กับท่านผู้ฟังในรายการนี้สันนีสนทนานะคะ <c oughs> เราจะเป็นรายการที่มีจุดยืนหลักคือนำเสนอคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าจากพระโอษของพระพุทธองค์วันนี้ก็เป็นวันที่สาคัญอีกวันหนึ่ง คือจริงๆมันสืบเนื่องนะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเมื่อวานนี้วันมาคะบูชาวันนี้เป็นวันที่เข้าให้เราหยุดชดเชยเพราะว่าวันมาคะไปตรงกับวันอาทิตย์แต่อย่างไรเสียเราก็ถือโอกาสคนที่ยังอยากที่จะอยู่ในบรรยากาศของการเข้าใกล้พระธรรมคำสั่งสอนฟังรายการนี้ได้เข้าใกล้แน่ๆนะคะหลายคนชื่นชอบจากการที่เรามีพระสูตรมาอ่านโดย พระมาก์ชคาวโรวนาปภงลำลูกาคลองสิบและให้ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมไปด้วยและวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะท่านเองเพิ่งกลับจากอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะนําเอาพระสูตรมาอ่านให้กับท่านฟังกันเช่นเคยนมัสการกับท่านคะเจริญพรค่ะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องพระสูตรจากอินเดียเลยไหมคะเดี๋ยวไว้สักให้ตั้งหลักได้สักแป๊บนึงก่อนค่ะเป็นสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของ อาณาปานาสติกับอนิสง์ของอาณาปานาสตินมนมให้เราปฏิบัติไปพร้อมกันก็เช่นเคยแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติทำความเพียรเผากิเลสด้วยการเจริญอาณาปานาสติกันพร้อมกับการฟังพุท้ทวจนะคําสอนที่ออกจากปากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้น้อมนําไปทําในใจแล้วก็จดจําไว้ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลย พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนกับภิกษุทั้งหลายเรื่องการเจริญอาณาปานสติเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตาม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 เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก ทำกายะสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าทำกายะสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานสติพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เราตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออก หากจิตหลุดไปคิดในเรื่องความสุขความทุกข์ทั้งอดีตและอนาคตก็ให้รีบวางความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทิหรือว่าการละความเพลินแล้วมาตั้งสติอยู่กับลมหายใจหรืออิเรยบทอื่นๆของกายที่เรียกว่ากายยะคตาสติ อาณาปะณะสตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากนานที่ท่านได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายแม้เราเองเมื่อยังไม่ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่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 ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพน้นจากกิเลสทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน ดังนี้แล้วไซอาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันพิสุจนนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนี้สำหรับวันนี้เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติทางความเพียเพรเผากิเลสด้วยการเจริญอาณาปานาสติมาสมควรแก่เวลา สำหรับผู้ที่ยังอยากอยู่ในสมาธิและฟังช่วงถัดไปต่อก็สามารถปฏิบัติต่อไปได้หากใครอยากจะออกจากสมาธิก็ค่อยๆอ อ, ออกจากสมาธิแล้วก็มาพร้อมฟังในช่วงถัดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาปฏิบัติทําความเพียรกันต่อไปสําหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการทําความเพียรก็แปลว่าต้องทําไปเรื่อยๆ ให้คล่องตัวมากขึ้นทำไปจนกว่าลใหายใจสุดท้ายวันนี้ก็นมัสการขอบพระคุณท่านมากเอาไว้นัากัศนี้นะคะเจร็วพอค่ะท่านฟังค้าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกันค่ะ